แนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องฤทธิ์เมื่อพิจารณาในแง่ผลต่อคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับฤทธิ์แล้วคราวนี้ลองมาพิจารณาดูแนวปฏิบัติจากพระจริยาวัดของพระบรมศาสดาและพระสาวกทั้งหลายผู้เรื่องฤทธิ์ว่าท่านใช้ฤทธิ์หรือปฏิบัติต่ออิทธิปาฏิหาริย์กันอย่างไร สำหรับองค์พระพุทธเจ้าเองปรากฏชาติจากพุทธดำรัสที่อ้างแล้วข้างต้นว่าทรงรังเกียจไม่ทรงโปรดทั้งอิทธิปาฏิหารและอาเทศนาปาฏิหารแต่ทรงสนับสนุนอนุสาสนีปาฏิหารและทรงใช้ปาฏิหารข้อหลังนี้อยู่เสมอเป็นหลักประจําแห่งพุทธกิจหรือไหว้ถูกแท้คือเป็นตัวพุทธกิจทีเดียวทั้งนี้ด้วยเหตุผลดังแสดงแล้วข้างต้น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 เพื่อให้ผู้ชอบริ์หรือลำพองในริสตระหนักในคุณค่าอันจำกัดของริสมองเห็นสิ่งอื่นที่ดีงามประเสริฐกว่าริสและพร้อมที่จะเรียนรู้หรือรับฟังสิ่งอันประเสริฐนั้นซึ่งจะส่งชี้แจงสั่งสอนแก่เขาด้วยอนุสาสนีปฏิหารต่อไปทั้งนี้ตรงกับหลักที่กล่าวข้างต้นว่าใช้อิทธิปาฏิหารประกอบอนุสาสนีปาฏิหาร แต่เป็นการใช้ประกอบในขอบเขตจำกัดอย่างยิ่งคือเฉพาะในกรณีที่ผู้รับคำสอนฝักใยในริดหรือเมาริดแสดงทิตฐิมานะต่อพระองค์เท่านั้นเช่นเรื่องการทรมานพระพงษ์เป็นต้นส่วนพระมหาสาวกทั้งหลายก็มีเรื่องราวเล่ามาบ้างว่าใช้ริดประกอบอนุสาสนีแก่ผู้ฝักใยริเช่นเรื่องที่พระสารีบุตรสอนมูภิกษุสิทธิพระเทวทัต ด้วยอาเทศนาปาติหารควบกับอนุสาสนีปาติหารพระมหาโมคคัลลานะสอนด้วยอิทธิปาติหารควบกับอนุสาสนีปาติหารส่วนการทําอิทธิปาติหารเพื่ออนุเคราะห์ช่วยเหลือมีเรื่องเล่ามาบ้างน้อยเหลือเกินแต่กรณีที่ขอร้องให้ช่วยเหลือด้วยอิทธิปาติหารไม่พบในพระไตรปิฎกเลยแม้แต่แห่งเดียวจะมีผู้ขอร้องพระบางรูป ให้แสดงอิทธิปาฏิหาริ์บ้างก็เพียงเพราะอยากดูเท่านั้นและการแสดงอิทธิปาฏิหาริ์ให้ชาวบ้านดูพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบัญญัติศิกขาบทห้ามไว้แล้วดังได้กล่าวข้างต้นในที่นี้ขอย้ำข้อคิดตามหลักพระพุทธศาสนาไว้อีกครั้งหนึ่งว่าในชีวิตที่เป็นจริงในระยะยาวหรือตามปกติธรรมดาของมนุษย์มนุษย์ก็ต้องอยู่กับมนุษย์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 ท่านาาก็จัดเป็นฤติอย่างหนึ่งและเป็นฤทติที่ถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนามีทั้งอามิสฤตและธรรมฤตโดยถือธรรมฤตเป็นหลักนําอามิสฤตหมายถึงความสําเร็จหรือความรุ่งเรืองทางวัตถุวัตถุรุ่งเรืองหรือวัตถุเป็นแรงบันดาลธรรมฤตหมายถึงความสําเร็จหรือความรุ่งเรืองแห่งธรรมธรรมรุ่งเรือง หรือทมเป็นแรงบันดาลอันหนึ่งความมีรูปโฉมงามผิวพรรณผุดพองความมีอายุยืนความมีสุขภาพดีความมีสเสน่ห์ผู้คนชอบชมอยู่ใกล้ก็เรียกว่าเป็นฤทธิ์เช่นกันสรุปเหตุผลข้อใหญ่ที่แสดงถึงขอบเขตจำกัดหรือจุดติดตันของอิทธิปาฏิหารตลอดถึงอำนาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งทำให้ไม่สามารถเป็นหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับจุดหมายของพุทธธรรมและไม่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดาเนินพุทธมรรคาไม่อาจเป็นที่พึ่งอันกเกษมหรือปลอดภัยได้เหตุผลนั้นมีสองประการคือ 1. นึงทางปัญญาอิทธิปฏิหารเป็นต้นไม่อาจทำให้เกิดปัญญาอย่างรู้สัจธรรมเข้าใจสภาวธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงได้ ดังตัวอย่างเรื่องพระพิสุมีฤทธิ์ที่หอไปหาคำตอบเกี่ยวกับสัจธรรมทั่วจักรวาลจนถึงพระพรหมผู้ถือตอนว่าเป็นผู้สร้างผู้บรรดาลโลกก็ไม่สำเร็จและเรื่องฤาษีมีฤทธิ์เหาะไปดูที่สุดโลกพิภพจนหมดอายุ ก, ก็ไม่พบเป็นตัวอย่าง 2. ทางจิตอิทธิปาฏิหารเป็นต้นไม่อาจกำจัดกิเลสหรือดับทุกได้จริง จิตใจมีความขุ่นมัวกลัดกลุ่มเร่าร้อนถูกโลภโทสะโมหะครอบงำก็ไม่สามารถแก้ไขให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้แม้จะใช้ฌานสมาบัตขคมระงับไว้ก็ทำได้เพียงชั่วคราวกลับออกมาสู่กา ร, รเผชิญโลกและชีวิตตามปกติเมื่อใดกิเลสและความทุกข์ก็หวนคืนมารังควานได้อีกเมื่อนั้นยิ่งกว่านั้นอิทธิปาฏิหาร อาจกลายเป็นเครื่องมือรับใช้กิเลสไปก็ได้ดังเรื่องพระเทวทัตเป็นตัวอย่างอย่างไรก็ดีถ้าความคิดปร้ายรุนแรงขึ้นฤทธ์ก็เสื่อมได้เพราะฤทธ์ต้องอาศัยฌานสมาบัติเป็นฐานและผู้จะเข้าฌานสมาบัติได้ต้องทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากในวรณ